ตอนที่สาสิบห้าข้าจะฆ่าเจ้าสมองของเย่เ ย, ย่เริ่มหมุนวนอย่างรวดเร็วอีกครั้งจดหมายลับถูกเขียนไว้บนผ้าเช็ดหน้าไหมอย่างนั้นหรือโดยปกติแล้วเครื่องประดับล้ำค่ามักจะถูกห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าไหมก่อนจะวางลงในกล่องผ้าไหมในปีนั้นหูหญินเจ้ากรมคงคิดจะใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมังหน้าเพื่อส่งจดหมายลับไปยังจวนกัวกงแต่เซี่ยชิงจือกับขโมยดอกไม้ประดับมุกไปและหยิบเอาผ้าเช็ดหน้าไหมติดมือไปด้วย จึงทำให้สายรับคนพบจดหมายลับนั้นเข้าโดยบังเอิญและสุดท้ายก็นําภัยพิบัติมาสู่คนทั้งตระกูลจนถึงแก่ชีวิตเสีย้ยชิงจือขโมยดอกไม้ประดับมุกไปทําไมกันแน่นางไม่รู้หรือว่าการทําเช่นนั้นจะก่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตเพียงใดในตอนนี้สายรับยิงคงซักไซเล่ยเลงคงเป็นพระสงสัยว่าเสีย้ยชิงจืออาจเคยอ่านจดหมายลับหรือไม่ก็สองสามีภรรยาเจ้ากรมอาจทิ้งเบาะแสบางอย่างไว้ก่อนตาย จดหมายรับในปีนั้นเกี่ยวข้องกับรายงานรับทางการทหารของตันตีสายรับผู้นี้ให้ความสําคัญถึงเพียงนี้แสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างแน่นอนเขาต้องมั่นใจว่าจะไม่มีใครล่วงรู้เรื่องจดหมายรับในปีนั้นอีกดวงตาของเยี่ ย, ยาวเป็นประกายขึ้นมานางคิดหาวิธีเอาตัวรอดได้แล้วคิดไม่ถึงว่าผ่านไปหลายปีเพียงนี้เจ้ายังหาค่าจนเจอใช่แล้วก่อนท่านพ่อท่านแม่จะสิ้นใจได้ซ่อนค่าเอาไว้เพื่อให้ค่ามีชีวิตรอดและได้มอบของสิ่งหนึ่งให้ค่า เมื่อได้ยินข้อมูลสำคัญหัวหน้าสายลับก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นมาทว่าเย่ากลับแค่นยิ้มเย็นชาปีนั้นเจ้าข้าล้างตระกูลข้าอย่าหวังเลยว่าข้าจะมอบของดูต่างหน้าที่ท่านแม่ทิ้งไว้ให้แก่เจ้าเจ้าสายลับโกรธจนตัวสั่นคมดาบที่จ่ออยู่ที่ลำคอของเย่เยาพันรัดแน่นขึ้นจนบาดผิวหนังในทันทีนางตกใจจนต้องหลับตาลงแน่นความเจ็บปวดแปรแล่นมาจากลำคอแต่เย่เยากลับไม่ถูกข้า เป็นอย่างที่คิดตรับใดที่ยังไม่ได้ของดูต่างหน้าที่วันนั้นสายรับย่อมไม่ค่านางในวันเดียวแน่เยี่ยยเอชนะแล้วดีไม่พูดก็ไม่ต้องพูดข้าขอถามเจ้าอีกเรื่องสิ้นอ๋องได้ทูลขอราชองค์การจากฝาบาทเพื่อนาทัพมาบุกโจมตีตันตีของพวกเราหรือไม่เยี่ยยหัวเราะยอออกมาคาหนึ่งหากข้าบอกเจ้ามิใช่ว่าข้าไม่จงรักพักดีหรอกหรือ ปีนั้นข้าทําให้คนทั้งตระกูลต้องเดือดร้อนก็นับว่าไม่กระตันยูแล้วหากตอนนี้ยังทรยศขายชาติอีกมิใช่ว่าข้าจะเป็นคนไร้อย่างอายที่ไม่รู้จักทั้งความกตัญยูและความจงรักภักดีหรอกหรือเจ้าสายลับถูกนางย้อนจนพูดไม่ออกแต่ก็ทําอะไรนางไม่ได้ยี่ยังมีท่าทีพร้อมสละชีพเขาจึงไม่สามารถฆ่านางได้จริงๆสายลับถอนหายใจฟึดฟัดพรางเก็บดาบไม่ยอมต่อความยาวสาวความยืดกับนางอีกดีๆเป็นหนังเด็กที่ฝีปากกล้าดีนัก เขาลุกขึ้นยืนแล้วถ่มน้ำลายอย่างดุดันข้าอยากรู้นักว่าเจ้าจะปากแข็งไปได้ถึงเมื่อไหร่ข้ามีเวลาเหลือเฟือจะค่อยๆเล่นกับเจ้าไปทีละนิดสายรับทิ้งคำขู่ไว้ก่อนจะเดินไปปรึกษาบางอย่างกับลูกน้องเมื่อมีของดูต่างหน้าเป็นข้อต่อรองอย่างน้อยเยี่ยอย่างก็จะไม่มีอันตรายถึงชีวิตในตอนนี้เส้นประสาทที่ตึงเครียดจึงค่อยๆผ่อนคลายลงบ้าง ภายในวัดร้างมีลมรั่วเข้ามาทุกทิศทางเมื่อลมหนาวพัดผ่านเย่ยก็ตัวสั่นสถานอย่างรุนแรงนางเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเสื้อผ้าของตนเปียกโชกไปหมดแล้วไม่ไกลนักมีกองไฟกองหนึ่งแต่เย่ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะสายลับและลูกน้องยืนคุมอยู่ที่ประตูหากบังเอิญไปได้ยินความลับอะไรของพวกมันเข้าอีกเย่ยคงไม่มีชีวิตเหลือพอให้ชดใช้แน่ลมหนาวพัดกันโชกเข้ามาไม่หยุดเย่ยาวถูกมัดมือมัดเท้าทำได้เพียงพยายามขดตัวให้เล็กที่สุดและซุกตัวเข้าไปในกองฟาง สายลับไม่ได้ตั้งใจจะให้เยี่ยยตายเร็วขนาดนั้นเขายังแบ่งน้องไก่ย่างให้นางน้องหนึ่งแต่ก็ยังไม่ยอมแก้เชือกที่มัดนางไว้เยี่ยยฝืนกินจนหมดก่อนจะอ้างว่าขอไปทำพุรธส่วนตัวจึงได้รับการแก้เชือกที่เท้าออกจากนั้นนางก็ขดตัวกลับไปบนกองฟางแต่ไม่กล้าหลับไหลท่ามกลางความหนาวเหน็บนางกัดฟันแน่นและเริ่มรู้สึกว่าสีสนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆยิ่งดึกฝนก็ยิ่งตกหนักขึ้นแทนที่จะเบาลง เหล่านักฆ่าผลัดกันเฝ้ายามแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็เนเงาสีดำที่วู้ผ่านม่านฝนไปในวัดร้างมีกองไฟสองกองกองหนึ่งอยู่ใกล้ประตูอีกกองหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปด้านในลินเซอร์นอดทนต่อสายฝนที่สาดซัดหมอบปล่าไปกับคนกำแพงที่พังทลายโดยไม่ขยับขยืนจนกระทั่งนักฆ่าที่เฝ้ายามหายออกมาและเริ่มสบงบเขาฉวยโอกาสนั้นเคลื่อนที่ไปยังอีกทิศทางอย่างรวดเร็วและมองผ่านรูโหวบนกำแพงจนในที่สุดก็เห็นร่างของเ ย, ย่ยาวที่นอนอยู่บนกองฟางด้านในสุด ลินเซิร์นอนหายใจอย่างโล่งอกในที่สุดก็หานางพบเสียทีเพียงแต่เย่เยานอนหันหน้าเข้าด้านในแสงจากกองไฟวูบว่าบไม่คงที่หลิงเซิรนจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่านางได้รับบาดเจ็บหรือไม่เขาตามหามาค่อนคืนกว่าจะพบที่นี่หากนางขาดไปแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวเขาจะให้พวกโจร่วงเหล่านี้ชดใช้คืนเป็นพันเป็นหมื่นเท่าเขาปาดน้ําฝนออกจากใบหน้าลิงเซิร์นซุ่มรอยอย่างอดทนรอจนกระทั่งกองไฟเริ่มมอดดับแสงสว่างสลัวเลือนร่างร่างของเขาก็พุ่งผ่านความมืดไปอย่างรวดเร็ว นักฆ่าที่เฝ้ายาไม่ทันได้ส่งเสียงร้องแม้แต่คําเดียวก็พิงกําแพงสิ้นลมไปอย่างไร้เสียงด้านในยังมีอีกสาคนหัวหน้าเป็นคนที่รับมือยากที่สุดหลินเซินหยิบก้อนหินขึ้นมาสามก้อนหลับตาลงและระบุตําแหน่งจากเสียงหายใจท่ามกลางความมืดเขาสะบัดแขนยาวออกไปมีเสียงครังอื้ออึงดังมาจากด้านในสองครั้งหลินเซินขมวดคิ้วงเหลืออีกคนหนึ่งละไม่ทันได้คิดมากลมดาบที่เย็นเยียบและดุดันก็ฟันลงมาที่ศีรษะหลินเซินรีบยกขรุยาวขึ้นต้านทานไว้และอาศัยแรงขลักออกไปด้านนอก หัวหน้าสายรับถอยกลับไปหาลูกน้องสองคนแล้รีบลงมือแก้จุดที่ถูกหลิงเซินสกัดไว้เมื่อครู่ทันทีลูกน้องทั้งสองกระโดดลุกขึ้นหัวหน้ารีบหนีไปพวกเราจะคอยต้านไว้ที่นี่เองทั้งสองคนพร้อมสละชีพเงื้อดาบพุ่งเข้าใส่หลินเซินหลินเซินจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปะทะ ก, กับพวกมันหัวหน้าสายรับคิดจะพาตัวเยี่ยวาไปด้วยแต่หลินเซินไหวตัวทันเขาเตะลูกน้องสองคนออกไปแล้วกวาดขลุ่ยยาวประดุดคมดาบเข้าใส่เพื่อบีบให้หัวหน้าสายรับถอยห่าง ลูกน้องทั้งสองพุ่งเข้ามาขัดขวางหลิงเซินอีกครั้งหลิงเซินไม่เกรงใจอีกต่อไปเขาซัดฝ่า ม, มือใส่คนหนึ่งจนกรากเลือดออกมาชายผู้นั้นยังคงกอดขาเขาไว้พลางตะโกน ล, ลั่นหัวหน้ารีบหนีไปหัวหน้าสายรับมองเยี่ยเงเยาจากระยะไกลด้วยความไม่ยินยอมหลิงเซินเองก็เสียสมาธิเพราะเขาแม้จะทําให้อีกคนบาดเจ็บสาหัสได้แต่เขาก็ถูกพวกมันกอดไว้คนละข้างจนไม่สามารถสลัดหลุดได้ในทันที โอกาสทองมีอาจปล่อยให้หลุดลอยหัวหน้าสายรับเนื้อดาบขึ้นคำรามพุ่งเข้าแทงที่หัวใจของหลินเซินในขณะที่ดาบกำลังจะถึงตัวพลานมีท่อนไม้ขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่เขาอย่างจังมันรวดเร็วมากจนหัวหน้าสายรับหลบไม่พ้นเขาถูกกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างจังจนล้มงายหลังลงกับพื้นอย่างแรงเขาฝืนทนความเจ็บปวดที่ใบหน้าแล้วตะเกียกตะกายลุกขึ้นเลือด ก, กำเดาไหลทะลักออกมาจากจมูกระดูกดั้งจมูกคงจะหักเสียแล้วเมืเ่อเหน่อยหน้าขึ้นสายรับแทบไม่เชื่อสายตาตนเอง คนที่กอดท่อนไม้ใหญ่พลางหอบหายใจถี่รวอยู่นั้นกลับเป็นเยี่ยยาเชือกที่เท้าของนางถูกแก้แล้วแต่สองมือยังถูกมัดอยู่จึงออกแรงได้ลําบากนางกอดท่อนไม้ไว้ไม่อยู่จนมันกลิ้งตกลงมาในขณะเดียวกันเย่ีย่ยวก็ล้มลงด้วยใบหน้าที่แดงกับนางหอบหายใจรุนแรงยิ่งกว่าเดิมนางเด็กบ้าข่าจะฆ่าเจ้าหัวหน้าสายรับโกรธจนหน้ามือตะมวงเงื้อดาบจะฟันเยี่ยยา ลิ้นซินตาแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นเขาขบฟันแน่นรวบรวมกำลังภายในทั่วร่างสบัดนักฆ่าที่รังแขนเขาไว้จนกระเด็นออกไปแม้เท้าจะยังถูกพันธนาการแต่ลิ้นเซินก็ยกขลุ่ยยาวขึ้นจระโกรริมฝีปากเสียงดนตรีที่แฝงไปด้วยกำลังภายในนั้นประดุดคมดาบยิ่งผู้ที่มีกำลังภายในล้ำลึกเท่าใดก็ยิ่งได้รับผลกระทบมากเท่านั้นหัวหน้าสายรับย่อมเป็นคนแรกที่โดนเข้าอย่างจังฝีเท้าของเขาหยุดชะงักลงทันที เสียงดนตรีประดุดนอนกู่ที่ชอนชัยไปตามเส้นเอ็นและกระดูกกำลังพายในที่ถูกกระตุ้นทําให้เส้นเลือดทั่วร่างของเขาเต้นตุบๆลูกน้องสองคนที่บาดเจ็บสาหัสทนไม่ไหวเลือดไหลออกจากทวารทั้ง7จนสิ้นใจตายหัวหน้าสายรับสุดเขา่าลงข้างหนึ่งพรางกระอกเลือดคําโตออกมาเมื่อเห็นท่าไม่ดีเขาจึงคล่องระเบิดควันออกมาแล้วรีบหลบหนีไปอย่างรวดเร็วลินเซินเตะศพที่กอดขาเขาไว้ออกไปแล้ววิ่งตามไปที่ประตูได้เพียง2อก้าวก็คลาดกับร่องรอยของหัวหน้าสายรับเสียแล้ว ท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำการจะตามให้ทันคงเป็นเรื่องยากลินเซนตัดสินใจหันหลังกลับเข้าไปในวัดทันทีเย่ยาวล้มพับลงข้างกองฟางแห้งไปเสียแล้วทั่วร่างของนางชุ่มไปด้วยเหงื่อและใบหน้าก็แดงก่ำด้วยผิดไข้